ก็ความในจริยาปิดกต่อจากครั้งที่แล้วนี่มาขึ้นปัญหาข้อที่8เนี่ยนะอะไรคือความผ่องแผ้วของบารมีทั้ง10บว่าเรารู้ได้ยังไงว่าบารมีผ่องแผ้วหรือไม่คำตอบก็คือบารมีทั้ง1ิบไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมี ปัญญาบารมีวิริยะบารมีคันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีบารมีเหล่านี้ที่จะพ่องแผ่วก็เพราะว่าไม่ใช่ทำด้วยความอาคาดแปลว่าบารมีทั้งหมดเหล่านั้นไม่แปดปนไม่สลับกับบาปและอกุศลไม่ถูกตันหาครอบงำขณะเดียวกัน การที่บารมีทุกข้อไม่เศร้ามองไปด้วยความเศร้าหมองที่กล่าวไปแล้วเช่นการให้ทานก็ไม่มีการกําหนดทายาธรรมไม่มีการกําหนดผู้รับรักษาศีลก็ไม่กําหนดว่าจะรักษากับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ช่วงเวลานั้นเวลานี้เนคขมาบารมีก็ไม่เศร้ามองเพราะว่าไม่ยินดีในการยินดีแต่ในกุศลธรรม ปัญญาบารมีไม่เศร้าหมองก็เพราะว่าไม่มีการยึดถือว่าเราว่าเป็นของเราวิริยะบารมีก็ไม่มีความหดหู่ไม่มีความฟุ้งซ่านขันติบารมีก็ไม่กำหนดตนไม่กำหนดผู้อื่นสัจจะบารมีก็กล่าวแต่วาจาที่เป็นจริงสืบเนื่องแต่ถ้อยคำที่เป็นจริงอธิฐานบารมีก็รู้คุณ รู้โทษของการไม่เจริญกุศลธรรมแล้วก็รู้คุณของการเจริญกุศลธรรมที่เป็นคุณธรรมต่อการบรรลุสัมโพธิญาณเมตตาบารมีก็น้อมนาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไปให้มุ่งกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปส่วนอุเบขาบารมีก็ไม่มีว่าอะไรน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนานี่อีกนหนึ่งส่วนอีกนหนึ่ง บารมีแต่ละข้อไม่ถูกตันหาฉาบทารูปไล้ไม่ถูกมาอณอรูปไล้และฉาบทาไม่ถูกครอบงำด้วยอำนาจนิจฉาทิฐิไม่ถูกความโกรธความผูกโกรธครอบงำไม่มีการลบหลู่ตีเสมอไม่มีความริษยาไม่มีความตระนีไม่มีมายาไม่มีสาไถยมายาความหลอกลวงสาไถยก็คือความโอ้อวดไม่มีทำพะถือตัวสารำพะแข่งดี ไม่มีความประมาทไม่ถูกความเมาแล้วก็ไม่ถูกความประมาทครอบงำกุศล ธ, ธรรมทั้งหลายมีฐานเป็นต้นที่ไม่ถูกครอบงำด้วยตันหามานะทิฏฐิความโกรธความผูกโกรธลบปลูดตีเสมอความริษยาความตรนีเป็นต้นกุศล ธ, ธรรมเหล่านั้นเป็นความผ่องแผ้วบารมีแต่ละข้อที่ผ่องแผวก็เพราะว่าไม่ถูกบาปอากุศลฉาบทาปร้ายนั่นเอง การกุศลธรรมใดใที่ไม่สลับกับบาปกุศลใดที่ไม่แปดเปื้อนไปด้วยอกุศลกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลที่ผ่องแผ้วเหมือนกับว่าของบริสุทธิ์อนะอย่างเช่นเขาเรียกว่าทองคําบริสุทธิ์เงินบริสุทธิ์เป็นต้นก็คือเพราะไม่มีเครื่องที่ทําความเสียหายไปเจือปนไปแปดปนฉันใดกุศลธรรมมีฐานเป็นต้นที่ผ่องแผ้วก็เพราะว่าไม่ถูกบาปอากุศลเข้าไปครอบงำฉันนั้น ส่วนปัญหาข้อที่เก้าบอกว่าอะไรเป็นปฏิปักษ์ก่อนการสร้างบารมีศัตรูของการทำบารมีนี่คืออะไรฝ่ายตรงกันข้ามกับการสร้างบารมีก็บอกว่าความเศร้าหมองทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนี่แหละเป็นปฏิปักษ์ต่อการสร้างบารมีสังกิเลสทุกชนิดตัณหามานะทิฏฐิ ความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ตีเสมอความริษยาความตนีมายาสาไทยพวกนี้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการให้ทานทั้งหมดเนี่ยนะบาปอากุโสลธรรมทุกชนิดถือว่าเป็นศัตรูของการสร้างบารมีบาปประธรรมทุกชนิดแต่ถ้าหากว่ามาจำแนกเป็นเป็นอันๆันไปแล้วเนี่ยนะว่า อะไรเป็นปฏิปักต่อบารมีแล้วก็บารมีนั้นเป็นปฏิปักกับอะไรก็อย่างที่กล่าวว่าอคุศสลธรรมทุกชนิดบาปประธรรมทุกชนิดเป็นปฏิปักต่อการสร้างบารมีอเช่นความตระหนี่เป็นต้นเนี่ยเป็นปฏิปักต่อการให้ทานความโกรธเป็นต้นก็เป็นปฏิปักต่อการรักษาศีลมันบาปอคุศสลธรรมที่กล่าวไปแล้วนี่แหละเป็นปฏิบักต่อการสร้างบารมี เอาแล้วถามว่าถ้าพูดตรงกันข้ามแล้วการให้ทา น, นเนี่ยนะการสร้างบา ร, รมีนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อบาปอากุศสลธรรมอะไรบ้างก็บอกว่าทานนี้การให้ทานเป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภ ก, การให้ทานเป็นปฏิปักษ์ต่อความโกรธการให้ทานเป็นปฏิปักษ์ต่อความหลงที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าการให้นั้นเป็นการให้ที่ประกอบด้วยปัญญามันรากเหง้าของการให้ทานก็คือ อโลพะอโทสะและอโมหะทำด้วยกุศลมูลสาก็ถือว่าเป็นการให้ทานที่ถ้ามองทานเป็นเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ที่มีเผล ด, ดอกออกผลมากก็ถามว่ารากของต้นไม้นั้นเป็นรากที่มั่นคงมั่นคงไปด้วยอโลพะอโทสะและอโมหะพันถามว่าพวกที่รากไม่มั่นคงนี่ก็คือตัวที่เป็นนอนมาชรชัยเป็นตัวด้วง เป็นตัวมาทำลายรากแห่งกุศลก็คือโลภะโทสะและโมหะเพราะว่าโลภะนั้นมันยึดติดในในอะไรในไยธรรมมันยึดติดในของของที่เราจะทำบุญเช่นว่าจะให้อะไรเป็นทานนี่แหมของนี้มันมันน่าติดใจเหลือเกินยังเสียดายอยู่ว่า ง, งั้นเถอะไอ้ความเสียดายเนี่ยนะหรือความยึดติดความที่ไม่อยากจะพลากไม่อยากจะจากของเหล่านั้นเลย อันนี้โลภะก็เป็นตัวยึดในของที่จะให้เพราะว่าของที่เราจะให้ทานนั้นเราไม่ใช่เป็นของที่ทิ้งที่คว้างโดยมากแล้วถือว่าเป็นของที่ผู้ที่ให้นั้นรักหวงแหนทนุถนอมมากที น, นี้ถามว่าแล้วทาไมต้องให้นี่แหละที่จะต้องมีปัญญาเป็นต้นประกอบแล้วก็บางทีเนี่ยที่ให้ไม่ได้ก็เพราะโกรธโกรธผู้รับไม่ชอบผู้รับ ผู้รับเป็นคนนี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบกิริยาอาการไม่ชอบพฤติกรรมไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เราไม่ชอบรูปร่างผิวพรรณชาติชั้นวันณนะสถานที่เผ่าพันเป็นต้นอันนี้ก็ทำให้เราไม่ชอบผู้รับไม่ชอบผู้รับนั้นความโกรธนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เราจะเคารพต่อผู้รับทานของเราทีนี้ความโง่ล่ะความหลงปฏิปักษ์เพราะาไม่รู้ว่าอะไรเป็นผลของการ ให้ทานเป็นต้นอันผู้ที่ให้ทานด้วยอะโลภเพราะไม่ติดในธยธรรมแต่ก็ไม่ได้เกลียดธยธรรมนะไม่ได้เกลียดของที่จะให้อย่างใครๆที่เขาไปทําบุญให้ทานให้ข้าวให้น้ําให้ผ้าให้ดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟแม้กระทั่งให้อะไรก็ตามถามว่าเกลียดของสิ่งนั้นจนเก็บไว้ในบ้านไม่ได้ใช่ไหมจึงให้ทานบอกไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมีอะโลภในคุณธรรมอันนั้น และขณะเดียวกันก็มีเมตตาต่อผู้รับประสงค์จะให้ผู้รับได้รับประโยชน์เรียกว่าอะโทสะต่อปฏิคาหกหมายคำว่าไม่โกรธไม่แค้นไม่เคืองมีแต่ความหวังดีมีแต่ความปรารถนาดีต่อผู้รับขณะเดียวกันการให้ทานเจตนาที่ให้นั้นเป็นกรรมเป็นกุศลเป็นเหตุรู้เลยว่าการให้ทานนั้นมีผลให้ผลเป็นสุขทั้งภพนี้และ พบหน้าเป็นฐานเป็นอุปนิสัยเป็นตัดใจแห่งสัมโพธิญาณคยกว่าไม่ลุ่มหลงในผลแห่งการให้ทานปกติแล้วอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าการให้ทานเนี่ยนะโดยปกติเนี่ยนะถ้าโลภะโทสะโมหะจะเกิดเกิดอย่างไรก็คือโลภะจะยึดติดในของที่จะให้โทสะไม่ชอบผู้รับแล้วก็ไอาการให้มีผลต่อไปอย่างไรอันนี้โดยมากไม่รู้ก็เรียกว่าเป็นความลุ่มหลง พระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านรู้ท่านรู้ว่าทายรรมนั้นเป็นที่ตั้งแห่งโลภะผู้รับเป็นที่ตั้งแห่งโทสะกรรมและผลของกรรมการให้ทานและผลแห่งการให้ทานโดยมากเป็นที่ตั้งแห่งโมหะท่านจึงทําในสิ่งทียมตรงกันข้ามท่านพิจารณาจนของที่จะให้ไม่เป็นที่ยุติไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังไม่ตําหนิไม่หมิน่นไม่เหยียดหยามต่อผู้รับรู้กรรม รู้การให้รู้ผลแห่งการให้รู้อ น, นิสง์แห่งการให้เป็นอย่างดีพท่านก็เลยสามารถเจริญกุศลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภความโกรธและความหลงตัวในครั้งหนึ่งว่าถ้าจะโลภโลภเพราะอะไรโลภทยธรรมคือของที่จะทำบุญของที่จะให้เป็นที่ตั้งแห่งความโลภผู้รับเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธ เพราะว่าบางทีจะให้ของของใครนี่ไหมมันความเลวของเขาก็ปรากฏมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดเก้าสิสรุปว่าให้ไม่ได้ก็โกรดผู้รับบางทีเนี่ยตัวเองจะให้ก็ก็อย่างที่ว่าทําอย่างอื่นนี่รู้ผลรู้กําไรหมดเลยค้าขายรู้ผลรู้กําไรทําไร่ไรถานาเป็นต้นก็รู้ผลผลิตทําสวนก็รู้ผลผลิตว่าเออทําแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันมีผลมีกําไรอย่างไรแต่โดยมากการให้ทานสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ว่า มันจะให้ผลอย่างไรมันให้ผลได้จริงหรือก็เป็นที่ตั้งแห่งความโง่เขลาและความสงสัยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านรู้ว่าท่านสามารถพิจารณาจนไม่โลภไม่ยึดติดในทายธรรมท่านมองว่าทายธรรมนั้นคือเป็นสเสบียงทางของท่านนะเป็นสเสบียงทางของท่านแล้วก็ทายธรรมเหล่านั้นก็ปกติถ้าเราไม่ทําบุญสิ่งเหล่านี้เป็นของที่จะต้องเสื่อมสิ้นสลายไปอยู่แล้ว ก่อนที่จะสลายไปโดยไร้เหตุผลก็เอามาทำประโยชน์เนี่ยนะเรียกว่าเป็นทรัพย์เป็นสเบียงติดตัวที่จะนำไปใช้ในพบต่ อ, ตอไปอย่าลืมว่าคนที่เดินทางไกลถ้าเทียบกับสาว ก, กโพธิสัตว์ปัจเจกโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์หรือที่เราเรียกว่าพระมหาสัตว์เนี่ยเป็นผู้ที่เดินทางไกลกว่าเพื่อนเมื่อเดินทางไกลถามว่จะต้องมีสเบียงทางขนาดไหน ท่านเดินทางเป็นอสงไขยอสงไขยนับตั้งแต่รู้ความรู้ภาษารู้ทิศทางแห่งสังสารวัฏท่านรู้ว่าท่านต้องเดินทางไกลเมื่อรู้ว่าต้องเดินทางไกลแล้วถามว่าเสบียงทางควรจะแค่ไหนถามว่าเมื่อรู้ว่าตัวเองจะต้องเดินทางไกลจริงๆเนี่ยนะต้องใช้เสื้อผ้ากี่ชุดแล้วแหล่งที่จะหาผ้าอยู่ที่ไหนต้องเดินทางไกลจริงๆแล้วอาหารแหล่งอาหารอยู่ที่ไหนถ้าไม่สั่งสมบุรณ์ไว้ให้ดีถามว่า ที่เราจะลงทุนเพื่อให้มีสเสบียงทางต่อไปในอนาคตหาจากไหนก็หาจากผู้รับเนี่ยนะก็หาจากผู้รับผู้รับเป็นเครื่องกําหนดว่าผลแห่งการให้จะเป็นอย่างไรต่อไปให้กับสัสาาตว์เดรัจฉานมีผลห้าร้อยชาติให้แก่มนุษย์ทุศีลมีผลพันชาติให้แก่มนุษย์ทั่วไปผู้มีศีลก็ให้มีผลเป็นแสนชาติเนี่ยนะให้กับนักบวชนอกาศาสนาที่ได้อภิน ญ, ญาห้าสมาบัติแปดที่เป็นกรรมะวารีก็ให้ผลเป็น อันนะั้นแสนโกรชาติถ้าหากว่าให้ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันมีคุณหาประมาณไม่ได้ตลอดจนถึงถนัดว่าให้เพื่อบูชาพระตนะตรายก็เป็นของที่หาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงขวนขวายในการเจริญกุศลเนี่ยนะท่านจึงรีบเร่งขวนขวายในการเจริญกุศลอย่างเต็มที่เราเห็นเลยว่าศึกษาในพระไตรปิฎกจะรู้ว่าท่านเหล่านั้นไม่ประมาทในการให้ทานไม่ประมาทในการให้ทาน ควนขวายแสวงหาแต่การให้ทานเพราะว่าการให้ทานนั้นทานที่ประกอบด้วยอะโลพะอะโทสะและอโมหานั้นเป็นปฏิปัติต่อความโลภความโกรธและความลุ่มหลงก็จริงนะอย่างที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเราไม่สา ม, มารถให้ทานได้เนี่ยก็เพราะความโลภความโกรธและความหลงทวนอีกครั้งหนึ่งถ้าจะโลภโลภอะไรโลภของที่จะให้ แนวทยรยาของที่จะให้เนี่ยแมมันน่าติดหน้าค่องสองไม่ค่อยชอบผู้รับก็โกรธผู้รับม่นกโกรธนี้นี่หน่อยหหาเรื่องตำหนิจนไม่ได้ให้เหมงอนนเถอะหาช่องทางที่จะตำหนิดูมินเยียดย้มจนไม่ได้ให้และการให้ความรวยมีผลต่อไปอย่างไรก็เลยไม่มีการให้เราไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะว่าหมูสัตว์ทั้งหลายโดยปกติอยู่ด้วยความโลภในวัตถุ ไม่ชอบผู้รับไม่ต้องการให้ผู้รับประสบความสุขและความเจริญและการให้มีผลต่อไปอย่างไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเมื่อไม่รู้ก็ไม่มีการเรียกว่าไม่มีการเพราะปลูกบุญกุศลลงในเนื้อนาทั้งหลายนี่ต่อไปการรักษาศีลเป็นปฏิปัติต่ออะไรเพราะเป็นปฏิปัติต่อความโลภความโกรธและความหลง อย่างเช่นอุโบสถเป็นต้นเนี่ยแม่มันปฏิบัติกับความโลภติดใจในรถติดใจในความอร ե ศอร่อยติดใจในเครื่องประดับเครื่องแต่งตัวที่หลับที่นอนเป็นต้นความโกรธละ่ะกลัวหิวมากเลยใช่ไหมโทสะถ้าหิวก็โกรธไม่ชอบหงุดหงิดรําคาญเป็นต้นความลุ่มหลงรักษาศีลไม่รู้มันจะมีผลมีประโยชน์อะไรต่อไปแต่ถ้าผู้ที่รักษาศีลประกอบด้วยปัญญาก็รู้เลยว่าผลแห่งการรักษาศีล เป็นอย่างไรอย่างเช่นอุโบสถเนี่ยนะมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าไม่ใช่สูตรเดียวมีหลายสูตรในอุโบสถวักว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สองโคโจรสองสว่างในโลกเพียงใดสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิก็มีเพียงนั้นนั่นแหละทรัพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าเทียบกับทรัพย์ของผู้รักษาอุโบสถแล้วเทียบกันไม่ติดทรัพย์ในโลกนี้กลายเป็นทรัพย์ของคนกัมพาร์ทันที ถ้าเทียบกับซับผู้รักษาอุโบสถเพราะว่าผู้ที่รักษาอุโบสถที่ประกอบไปด้วยองค์แปดที่พระอริยะสัสริญเป็นต้นเนี่ยนะก็สามารถที่อยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆมันในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเปรียบกับสมบัติของมนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรจากซับของคนยากคำนั้นซับของคนกัมพาซับของคนอนาถาที่เดือดร้อนเนี่ยนะถ้าเทียบกับรั์ในสวรรค์ แต่นี้เนื่องจากว่าผู้ที่ไม่รู้ผลไม่รู้อ น, นิสงไม่รู้กําไรของการรักษาศีนก็เลยไม่รักษาอันนั้นก็เป็นความลุ่มหลงที่ไม่รักษาศีนและขณะเดียวกันศีนก็ยังเป็นฐานเป็นปัจจยัยเป็นอุปนิสัยที่สำคัญที่จะให้บรรลุมรรคผลทีนี้ศีนถ้ารักษาได้อย่างดีมีความต่อเนื่องกาจัดความคดกาจัดโทษที่ล่วงออกมาทางกาย อันคนมีศีลไม่มีโทษทางกายที่จะให้หน้าตำหนิดูหมินและเอียดยามคนมีศีลไม่มีคําพูดที่จะให้ตําหนิและเอียดยามได้คนมีศีลไม่มีพฤติกรรมความประพฤติใดๆคําพูดใดๆให้ตําหนิเพราะไม่มีความคดอยู่ในกายกรรมวจีกรรมเลยเขาเรียกว่าศีลเป็นปฏิปักษต่อความชั่วร้ายทางกายและทางวาจาหาช่องทางตําหนิไม่ได้เมื่อไม่มีความคดทางกายทางวาจา ผู้มีศีลจึงตำหนิตัวเองไม่ได้ท่านผู้รู้เป็นต้นใข้ครวญพิจารณารอบครอบแล้วติเตียนไม่ได้เพราะศีลเป็นปฏิปักิต่อความคดความงอทุกโทษทางกายและทางวาจาที่จะสร้างความเดือดร้อนให้ในปัจจุบันและสัมปรายภพนั้นศีลจึงเป็นปฏิบักษต่ อ, อความประพฤติที่ไม่ดีทางกายและทางวาจา ส่วนเนคข ม, มะเนคข ม, มะนั้นปกติก็เป็นปฏิปักิต่อโทษสามประการเหล่านี้โทษสามประการมีอะไรบ้างคือกามาสุขเนี่ยนะท่านก็สามารถที่จะเว้นจากกามาสุขออกไปได้เพราะว่าสุขในกามนี้ถือว่าเป็นปฏิปักต่อเนคข ม, มะเขาเรียกว่าติดใจอาไยอาวรนเยื่อใหญ่ในรูปเสียงเกลิ่นรถโพธพะที่น่าปราถนาน่าใคร่หน้าพอใจ เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงเป็นที่ตั้งแห่งอาลัยอาวรณ์นเนี่ยนะพระเนคคัมมะนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อความคิดอันนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่ อ, อกิเลสตัณหาความเยื่อใหญ่ในวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายถามว่าเป็นไปนได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินน่าพอใจอย่างยิ่งทําไมต้องออกก็ท่านบอกว่าสุขน้อยมีโทษมากกว่าเนี่ยนะผลถ้าคนที่ไม่เรียบออก ไม่รีบออกจากวัตถุกามจะต่างอะไรกับกาที่ไม่รีบออกจากซากช้างฉะนั้นอันที่เคยเล่าบ่อยว่ามีกาอยู่ตัวหนึ่งคือพระราชาเนี่ยนะเดี๋ยวเล่าชาดกให้ฟังนิดหนึ่งก่อนว่าเขามีพระราชาพระราชาก็มีพระราชโอรสทีนี้ปุโรหิตก็มีบุตรเหมือนกัน บุตรของพระราชาก็เป็นพระราชโอรสใช่ไหมก็เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเน่ น, นะเจ้าฟ้าเนี่ยฟ้าชายเนี่ยกับบุตรปุโรหิตก็คือถือว่าอนาคตถ้าเจริญเติบโ ต, ตไปก็จะเป็นเสนาบดีพอเด็กสองคนเนี่ยก็เป็นเป็นแค่ว่าเป็นเด็กเล่นฝุ่นมาร่วมกันจนอายุ16ปีเนี่ยนะสิบหปีก็เลยร่ำเรียนคิด คนที่เป็นลูกปุโรหติตเนี่ยฉลาดก็เลยบอกว่าเพื่อนถ้าหากว่าเราเนี่ยนะต่อไปอนาคตเราจะต้องบริหารราชการแผ่นดินเป็นต้นเนี่ยนะสมบัติเหล่านี้ของพ่อเราทั้งหลายเนี่ยนะก็จะตกถึงพวกเรานั่นแหละถ้าเราไม่มีความรู้แล้วเราจะเอาอะไรมาดูแลถ้าเราไม่มีความสามารถเราจะดูแลทรัพย์ได้อย่างไรเพื่อนก็เห็นด้วยอ๋อใช่ใช่ก็เลยชวนกันไปเรียนตะกศิลาไปเรียนชวนเพื่อนสองคนไปเรียน ก็ไปจนเรียนจบวิชาพอเรียนจบหมดเบ็ดเสร็จก็กลับมาจะกลับมาฮะทีนี้ไอ้ระหว่างถ้าเรากลับไปพ่อของเราก็ต้องแต่งตั้งให้เป็นพระราชาและอีกคนหนึ่งก็จะได้เป็นตําแหน่งเสนาบดีไอ้การที่จะได้เที่ยวบ้านเมืองอื่นๆยากมั้นเที่ยวก่อนดีกว่าก็เลยเที่ยวก็เที่ย ว, ยวไปทางเมืองพาราสีก็ไปเที่ยวไปตามภาษาคนหนุ่มที่กําลังจบวิชาใหม่ๆเนี่ยนะ ท่องกำลังท่องเที่ยวเมื่อเที่ยวไปเนี่ยก็เข้าไปในเมืองพาราณสีก็มีคนแต่งตั้งผ้าแดงกับผ้าขาวปูต้อนรับเชื้อเชิญให้ไปบริโภคอาหารบุตรปุโรหิตนี้รู้เลยว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้ตําแหน่งพระราชาในเมืองนี้ส่วนเรานั้นถ้าประสงค์ตําแหน่งเสนาบดีก็เลยพอบริโภคเสร็จทานเสร็จก็เข้าไปนอนในสวนกันเข้าไปนอนเล่นในสวนเพื่อนก็นอนบนแท่น นี่นอนบนแท่นเนี่ยก็ได้ยินเสียงไอรา ช, ชรถเนี่ยนะรา ช, ชรสที่พระกษัตริย์ได้สิ้นพระชนไปเจ็ดวันไม่มีผู้ครองทรัพย์แล้วก็จะยกให้ผู้ใดผู้หนึ่งณนะที่นั้นมันจะทะเลาะกันมากมันเสี่ยงหาคนมีบุญดีกว่าก็รา ช, ชรถก็วิ่งไปที่สวนทีนี้บุตรปุโรหิตรู้แล้วว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะได้เป็นพระราชาถ้าเราอยู่ด้วยเราก็เป็นเสนาบดีแต่เราไม่ต้องการการ การสวยวัตถุกรรมเราไม่ต้องการวัตถุกรรมไม่ต้องการลาบยศตำแหน่งใดๆทั้งนั้นเราจะบวชถ้าเราไปกับเพื่อนไม่มีสิทธิได้บวชแน่หลบไปดีกว่าก็เลยหลบหลีกไปไกลๆทีนี้ผู้ราชรตก็มาถึงก็มาพระโคมบอกว่าคนเนี้ยดูโปรเตก็มาดูตารานะใช้ตําราดูลักษณะแล้วว่าเออครองราชสมบัติได้เป็นพระราชาได้คือว่าเป็นเป็นผู้ที่มีบุญก็เลยแต่งตั้งให้เป็นพระราชา เจ้าชายองค์นี้ก็รับเนี่ยนะรับที่จะเป็นพระราชาให้ก็เป็นพระราชาพอตัวเองคนมาแต่งตั้งอภิเสกให้เป็นพระราชานั้นลืมเพื่อนเลยลืมเพื่อนสนิทเลยแล้วก็ตัวเองก็ได้เป็นพระราชาบริโภคไปเสวยการมขไปเรื่อยส่วนเพื่อนนั้นพอเขาอภิเษกเป็นพระราชาไปแล้วตัวเองก็มานั่งแท่นที่เพื่อนนอนนั่นแหละก็มานั่งแท่นพิจารณาวิปัสนาบรรลุเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าก็เหาะไปอยู่ณเงื้อมเขา น, นานถ้ามูลกะเนี่ยนะทีนี้วันหนึ่งก็คิดถึงว่าเออจะไปชวนเพื่อนบวชบอกบวชไม่ได้ตอนนี้กิเลสกลุ่มรุมแค่เราว่าอากุศลวิตตกยุบยับเหมือนกับพึ่งเต็มรังเพราะงั้นเหมือนกับพึ่งตอมรังเนี่ยแหมแค่เราว่าเหมือนพึ่งที่มันตอมรังมันหวงแหนนาพึ่งใช่ไหมมันคิดว่า อ, ร, อร่อยฉันได้อกุศลวิตตกมันบินว่อนขนาดนั้นชวนบวชไม่ใช่ฐานนะก็เลยปล่อยไปก่อนวันเวลาก็ผ่านไป ห้าสิบปีทิง้งไปห้าสิบปีบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้ามีลูกมีล้านนะ้เสร็จแล้วก็ปีที่ห้าสิบนี่เริ่มคิดถึงเพื่อนเริ่มคิดถึงประวัติของตัวเองบอกโอ้อะไรจะโวเมาขนาดนั้นพระโพธิสัตว์นะที่ว่าเนี่ยพอนึกได้นึกถึงเพื่อนเอ๊ะเพื่อนเราเสนาบดีไปไหนเอเพื่อนของเราที่เป็นเพื่อนไปไหนนาะก็เลยคิดถึงเพื่อนก็เลยแต่งเป็นเพลงแต่งเป็นเพลงขึ้นมาร้องว่า ใครนะสามารถรู้จักถิ่นฐานที่อยู่ของเพื่อนเพื่อนเราไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะเป็นเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นปัญหาในที่สุดพระประเจกกรู้ละอินทรีเริ่มแก่กล้าแล้วก็เลยมามาก็มาลงที่สวนก็ให้เด็กคนหนึ่งมาร้องเพลงตอบว่าท่านเป็นฤาษีอยู่ที่นี่พระราชาก็เลยเข้าไปหาพอเข้าไปหาปั๊บเนี่ยเห็นนะโอ้ท่านเป็นภิกษุหัวกอโลห้นเป็นต้นเนี่ยนะ มานั่งเหมือนคนกัมพราร์บอกโอ้ยเหมือนคนกัมพา้าเลยเนะบอกว่าข้าพเจ้าเป็นพระราชาเขงเงินเราบอกฐานะของตัวเองว่าเป็นพระราชาเราบอกวาท่านอะ่ะเป็นคนกัมพราร์ในาพระประเจกท่านก็บอกว่าใครที่สละกามได้แล้วเขาไม่เรียกว่ากัมพราร์หรอกแต่พวกที่เป็นกัมพราร์ที่แท้จริงก็คือพวกที่ยึดติดอนะติดข้องในวัตถุ ก, กามทั้งหลายถึงกับขนาดว่าพบต่ อ, ต, อ, ต, อต่อไปนี่กลายเป็นคนกัมพา้าแน่อนาค ต, ตชาติต่อต่อไปจะกลายเป็นคน กรรมพราส่วนผู้ที่ละกิเลสละบาปอากุศลได้หมดแล้วเขาไม่เรียกว่าคนกนรร้ารอกนี่พระโพธิสัตว์กบอกเออแล้วบวชมันดียังไงพระประเจ ก, ก็กล่าวถึงคุณของการบวช ก, ก็กล่าวถึงอริยวงทั้งหลายว่าข้อปฏิบัติของพระอริยะเป็นอย่างไรนั่นเสร็จแล้วบอกโอ้ขั้นก็บวชได้อะแต่ข้าพเจ้าคงบวชไม่ได้หรอกอวัตถุมันอะไรนะ สมัยใหม่เขใช้่าธุรกิจมันรัดตัวเต็มแน่นไปหมดเลยนะเขใช้จับแบบนี้ยนั่นก็บอกโอ้ยเต็มไปด้วยกามสุขแต่ก็ไหนๆก็เจอกันแล้วก็ช่วยสอนทางไปสวรรค์หน่อยเถอะทำยังไงข้าพเจ้าจะได้ไปสวยรค์กามสุขต่อไปในชาติหน้าพระประเจกท่านก็สอนแนะนําให้นั่นก็แนะนําให้ก็คือชวนบวชนะนะพระประเจกรู้อยู่แล้วว่าเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่สั่งสมบา ร, รมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า เพราะท่านเป็นผู้ที่มีอนาคตตังสยามเนี่ยนะพระปเจกเนี่ยรู้อนาคตเป็นอสงไข่นั่นแหละผลท่านก็รู้อยู่แล้วว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเอาบวชเธอะโอ้ยบวชไม่ได้หรอกเนี่ยติดข้องในลูกหลานเหลือเกินเนี่ยนะติดในก็กว่าจะเล่าอุปมาให้ฟังก็กว่าวินยูชนในโลกนี้บางคนจะรู้เนื้อความได้ก็ต้องอาศัยอุปมาก็บอกว่าเหมือนกับแม่น้ําคงคาเนี่ยเป็นแม่น้ําที่ไหลไปสู่มาหาสมุทร นี่มันก็มีซากช้างตัวหนึ่งตายตายท่ามกลางแม่น้ํำคงคาก็ลอยเป็นศพช้างลอยเอือเต็มเลยนะก็มีกาตัวหนึ่งเป็นกางโงกเขาแล้วก็บินไปเจอซากช้างเขาดีใจดีใจมากเราไม่ต้องไปหาอาหารที่อื่นแล้วกินเสร็จน้ําก็อยู่ใกล้ๆก็ดื่มน้ําได้เลยเดิมกินเสร็จก็มีแล้วก็มีเรือมีสําเพอให้ล่องลอยไปเรื่อยๆ โอ๊ยขอเกาะซากช้างนี่แหละต่อไปการนั้นก็ไปไปจนถึงใกล้ถึงปากอ่าวปากทะเลก็ไม่ยอมบินออกเสียดายสเสบียงคว่างั้นเสียดายเสบียงเสียดายซากช้างก็ะจะไปหาลาบก้อนโตขนาดนี้ที่ไห น, นอีกคำว่า ง, งั้นขอติดลาบอันนี้ต่อไปก็เลยติดข้องในวัตถุเหล่านั้นติดก็ปลายไปไ ป, ไปถึงน้ําไปสถานที่ที่นกตัวเล็กๆจะบินข้ามไม่ได้ พอหมดเรี่ยวหมดแรงตัวเองกินซะอืดอ้วนพีอยู่ในซาดช้างออกไม่ได้แล้วเนี่ยทาไงดีนีก็บินไปถึงกลางทะเลไอ้ข้างล่างก็เน่าเปื่อยปลาอะไรทั้งหลายก็กินไอ้ข้างบนก็เตรียมยุบลงในที่สุดก็จมลงกามก็บินไปทิศไหนก็ไม่ไม่มีที่เกาะซากช้างก็จมลงไปเรียบร้อยแล้วบินไปทิศไหนก็ไปไม่ได้ในที่สุดก็หมดแรงตกลงไปในน้ำเป็นอาหารของปลาของของสัตว์ ที่อยู่ในน้ำฉันใดผู้ที่ติดใจในวัตถุกรรมบริโภควัตถุกรรมก็มีปัญญาเหมือนกับอีกาตัวนั้นแหละฉลาดเท่าอกาตัวนั้นนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าเวลาไหนที่สมควรจะออกเวลาไหนที่เตรียมตัวที่จะออกเป็นต้นในที่สุดก็จะจมไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตว่าโอ้ยให้ช่วยแนะนาต่อไปอีก อโอ้ยเขาก็พูดแค่นี้แหละคำว่านั้นบัณฑิตเขาก็แนะนํากันขนาดนี้แหละถ้าพูดมากกว่านี้มันนะั่นธาตแล้วบอกนายคำว่า น, นั้นนี่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นทาตของใครท่านก็เหาะจับไปบวชไม่บวชก็ตามใจท่านก็นแล้วกันนะคิดเอาก็แล้วกันไม่บวชก็อยู่ไปเสร็จแล้วพระประเจ ก, ก็เหาะไปเหาะข้ามหัวนั่นแหละไปพระราชา บ, บอกอเว้ยมันวันละต่ำมันคนระดับล่างๆเป็นคนใช้เรำเหาะข้ามหัวเราไปได้มันต้องดีแน่บวช ด, ดีกว่าก็เลยบอก ไม่ขออยู่โง่เป็นอีกาต่อไปแล้วนะไม่ขอเป็นกาโง่ๆแล้วก็เลยเรียกลูกชายมาแต่งตั้งให้เป็นพระราชาบอกไม่ขอเอาแล้วยกทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดแต่งตั้งให้เป็นพระราชาเถอะไม่ขอเป็นอีกาที่จมอยู่กลางทะเลแล้วนั้นในที่สุดก็บวชก็ปฏิบัติจนได้ฌ า, านก็ไปสู่พรหมโลกเพราะนิเคขมะเนี่ยนะคนที่จะมีเนคขมะจะต้องเป็นคนที่คิดอะไรที่มันคิดระยะยา ว, ยาว เห็นเห็นผลที่ควรจะมีต่อไปในระยะยาวๆเมื่อเห็นผลในระยะยาวได้จึงออกจากการมาสุกเนี่ยนะแม้กระทั่งพวกแมลงพึ่งทั้งหลายก็ถ้าบอกว่าโอ้แมลงพึ่งที่มันบินยบๆยบๆที่หวังจะดื่มรถน้ำพึ่งถ้าบอกว่าแมลงพึ่งบางบางแห่งบางจังหวัดตามชายแดนเนี่ยนะเป็นต้นถ้ามัวแต่ติดใจในน้ำพึ่งสักวันหนึ่งเขาก็จะมาเผา บางแห่งก็รมควันก็ยังชั่วก็บินหนีไปบางแห่งก็เรียกว่าเผาเลยนะตายเกลื่อนอยู่แล้วเาก็เอาน้าพึ่งไปวัตถุกรรมทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นเป็นเยื่อของมัจจุมาลเป็นเยื่อของบาปและอกุศลก็ตายขาน้ําพึ่งแมลงพึ่งตายขาน้ําพึ่งฉันใดบุคคลทั้งหลายที่ไม่รู้ประโยชน์ที่จะมีต่อไปในอนาคตคิดถึงแต่เหตุใกล้ๆคิดถึงแต่เรื่องเฉพาะหน้า ก็ฉะนั้นเหมือนกันก็กลายคา ว, วัตถุทั้งหลายเหล่านั้นในที่สุดก็กลายเป็นกลุ่มสัตว์ที่ยุบยับยุบยับอยูย่ยถแถวๆวนั้นนั่นแหละ น, นันเนคธรมะนั้นจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อกามาสุขเห็นโทษของการมาสุขว่าอร่อยในเบื้องต้นแต่ปลายปลายไปแล้วก็ไม่ไม่เป็นสิ่งที่ดีจริงแล้วเนี่ยนะแล้วก็เห็นโทษของการเข้าไปเบียดเบียนผู้อื่นว่าการเบียดเบียนประทุษร้ายผู้อื่นเนี่ยเป็นอย่างไร ประกอบไปด้วยทุกโทษเช่นใดแล้วก็การทำตนให้ลำบากเนี่ยนะวันเนคขมมะนั้นไม่ติดใจในการมาสุขไม่มุ่งเบียดเบียนผู้อื่นแต่ก็ไม่ใช่ทำตนให้เดือดร้อนมุ่งทำกุศลจิตให้เกิดขึ้นเห็นเลยว่าช่องทางที่จะทำให้กุศลจิตได้เกิดได้บ่อยเกิดได้ ต่อเนื่องเกิดได้เยอะๆนั้นควรจะเป็นอย่างไรควรจะทําอย่างไรไม่อย่างนั้นจิตใจก็เกลือกกลั้วไปด้วยบาปและอกุศลจิตใจก็เกลือกกลั่วไปด้วยอกุศลวิตกทั้งหลายอากุศลวิตกเนี่ยไม่เคยยังสัตว์ให้ได้ดิบได้ดีไม่เคยยังสัตว์ให้เจริญนําแต่ทุกนําแต่โทษมาให้นะไม่ว่าจะเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกตรึกเพื่อจะยึดติดตรึกเพื่อเข้าไปมุ่งทําลาย ปทุสร้ายผู้อื่นก็มีแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของวิตตกนั้นนั้นก็เห็นเลยว่าอากุศลวิตกเป็นสิ่งที่มีทุกโทษมากเนค ข, ขมมะก็น้อมไปเพื่อจะเจริญกุศลให้กุศลเกิดได้บ่อยเกิดได้ยาวแล้วก็เกิดได้อย่างต่อเนื่อง